คำทํานายจากเมืองอุบลราชธานีในสมัยเมื่อเรียนมูลกระจายอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีหมอดูทํานายว่าเนื้อคู่ของท่านอยู่ทางทิศนั้นรูปร่างสัมผัสผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้ารูปใบโพจนกระทั่งเรียนสําเร็จแล้วออกปฏิบัติกรรมฐานจาริกไปฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงครั้งที่สอง ไปคราวนี้ออกจากประเทศไทยข้ามโขงไปผ่านเมืองเวียงจันทร์ตัดเข้าดงอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าดงเมือง้นจากดงเมืองข้ามแม่น้ำเงืมไปไปสู่ดงดิบของเทือกเขาภูเขาควายป่าบริเวณนั้นเป็นป่าดงดิบมีถ้ำมีเหวอยู่ทั่วไปบนหลังเขามีลานหินกว้างซึ่งถือกันในหมู่นักปฏิบัติว่า ภูเขาควายเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับนักปฏิบัติธรรมซึ่งต้องการสถานที่สงบสงัดปราศจากการพุกพล่านวิเวกวังเวงไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดดังนั้นการบำเพ็ญภาวนาอยู่แถวภูเขาควายเวลาทำความเพียรจิตจึงสงบง่ายเมื่อภาวนาอยู่ไปหลายวันจิตคุ้นเคยกับสถานที่แล้วก็ย้ายไปแห่งใหม่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกจิตปลูกประสาทปลุกสติให้ตื่นตัวอยู่เสมอไม่เช่นนั้นมักเกิดความประมาทเมื่อคุ้นเคยกับสถานที่แล้วทําความเพียรไม่ดีเท่าที่ควรการเปลี่ยนสถานที่แต่ละแห่งสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันจึงทําให้เกิดความระมัด ร, ระวังเป็นการสร้างสติสัมปชัญญะเร่งความเพียรไปในตัว ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเลือกหาสถานที่ที่มีเครื่องเตือนสติอยู่เป็นประจำเพราะเหตุนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงบอกสิทธิให้อยู่ในที่ที่มีอันตรายเพื่อจะได้ไม่ประมาทในการทำความเพียรต้องมีสติอยู่เสมอการอยู่ในที่ที่อันตรายความเป็นความตายจึงฝากไว้กับสติ วันหนึ่งได้มาพักบำเพ็ญอยู่ที่หมู่บ้านนาสองเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรพวกชาวบ้านที่นั้นมีแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเห็นพระไปบิณฑบาตพวกเขาจะป่าร้องกันมาใส่บาตรว่ามาเนอมาใส่บาตรอย่าทามาแล้วหาน้ำอ้อยน้ำตาลมาใส่บาตรอย่าทาท่านชอบของหวานเมื่อได้ยินคนเป่าร้องประกาศเช่นนั้น ต่างก็เอาของมาใส่บาทจนเต็มพวกนี้เหมือนกับพวกไทยใหญ่ไทยใหญ่ถ้าเห็นพระไปบิณฑบาตเขาก็จะใส่บาทด้วยน้ำอ้อยน้าตาลกับข้าวเช่นกันพวกเขาถือว่าไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ของหวานแต่อย่างไรก็ตามการฉันข้าวกับน้ำอ้อยน้าตาลนั้นวันสองวันแรกก็ฉันได้ดีแต่วันที่สามที่สี่รู้สึกเบื่อวันหนึ่งใกล้ค่า ได้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำางึม่มมีหญิงสองคนแม่ลูกทอเรือมาตามลาน้ํางึม่มถึงที่พระกำลังอาบน้ำอยู่ก็ชาเลืองตามมาทางพระหนุ่มเมื่อสายตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันเข้าก็มีอนุภาพลึกลับและรุนแรงพอที่จะตรึงคนทั้งสองฝ่ายให้ตะลึงไปได้ระหว่างทางที่เดินกลับที่พักในใจยังคิดถึงหญิงงามนั้นอยู่ เมื่อมาถึงที่พักจึงกลับได้สติหวนรลึก ค, คำทำนายของหมอดูเมื่อครั้งไปเรียนมูลกระจายอยู่ที่เมืองอุบลที่ทำนายว่าเนื้อคู่ของท่านอยู่ทางทิศนี้รูปร่างสันทัดผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้าเหมือนใบโพยิงที่เราพบเห็นเมื่อตอนเย็นก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคำทำนายของหมอเห็นจะเป็นหญิงคนนี้แน่ เพราะเมื่อเราเห็นเป็นครั้งแรกก็ทำให้เรามีจิตปลวนแปลแล้วจึงตัดสินใจเดินทางกลับไทยเมื่อข้ามมายังฝั่งไทยได้ขึ้นไปทางอำเภอสีเชียงใหม่ไปพักอบรมตนอยู่ที่พระบาทเนินกลุ่มหินหมากเป้งณนะที่นั่นได้พบกับหลวงปู่มั่นโูริพัตโตซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมูนะ่คณะมาภาวนาอยู่บริเวณนั้น เมื่อได้พบกับอาจารย์อีกจึงดีใจมากการพักอบรมตนอยู่กับลุงภูมั่นก่อนเข้าพรรษาทำให้จิตค่อยสงบตัวลงไม่ฝุงฟ้านเหมือนก่อนแต่ภาพของหญิงงามนั้นยังปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เมื่อเร่งภาวนาเข้าภาพนั้นก็สงบลงหลังจากเข้าพรรษาแล้วตั้งใจปรารกความเพียรอย่างเต็มที่การเร่งความเพียรในระยะแรก จิตก็ยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายคงสงบตัวได้ง่ายมีอุบายทางปัญญาพอสมควรเมื่อเราเร่งความเพียรหนักเข้าเอาจริงเอาจังเข้ากิเลสก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกันคือแทนที่จิตจะดำเนินไปตามที่เราต้องการกลับพลิกกลับไปหานางงามที่บ้านนาสองฝั่งแม่น้ำเงิมนั้นอีกทีแรกได้พยายามปราบด้วยอุบายต่างๆแต่ไม่สาเร็จ ยิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนเอาเชื้อไปใส่ไฟยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเรือไม่ได้เป็นต้องไปหายิงนั้นทันทีบางครั้งมันหนีออกไปซึ่งซึ่งหน้าคือขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่นั้นเองมันก็วิ่งออกไปหายิงนั้นเอาซึ่งซึ่งหน้ากันทีเดียวอุบายการปฏิบัติวิชาต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตในครั้งนั้นเช่น เว้นการนอนเสียมีเฉพาะอิริยาบถนั่งยืนเดินทำอยู่เช่นนั้นหลายวันหลายคืนคอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยังปรากฏว่าไม่ได้ผลจิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคยเรือสติไม่ได้ต่อมาเพิ่มไม่นั่งไม่นอนมีแต่ยืนกับเดินทำความเพียรอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่ยอม มันคงไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นเคยคราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนเป็นอดอาหารไม่ฉันอาหารเลยเว้นไว่แต่น้ำอุบายการพิจารณาก็เปลี่ยนใหม่คราวนี้เพ่งเอากายของหญิงนั้นเป็นเป้าหมายในการพิจารณากายะขาตาสติโดยแยกยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างในอาการสาสสองขึ้น โดยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเทียบเข้ามาหากายของตนพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าอาวัยวะอย่างนั้นอย่างนั้นของตนก็มีของหญิงก็มีทําไมจะต้องไปรักไปหลงไปคิดถึงเพ่งพิจารณาทีลส่วนทีลส่วนพิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนทุกอิริยาบถ การพิจารณาจนละเอียดอย่างไรขึ้นอยู่กับอุบายความแยบใครของปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตอนหนึ่งการพิจารณามาถึงหนังได้ความว่าคนเรามาหลงอยู่ที่หนังหนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูเอาไวา้ถ้าถลกหนังออกอาวัยวะทุกส่วนก็หาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลยเพ่งพินิจอยู่จนเห็นความเปือยเน่าผุพังสลายไป ไม่มีส่วนไหนที่จะถือได้ว่าเป็นของมั่นคงเมื่อพิจารณามาถึงมูดและกรีดของหญิงนั้นตั้งคำถามขึ้นว่าหญิงนี้งามน่ารักมูดและกรีดของหญิงนี้กินได้ไหมจิตตอบว่าไม่ได้จึงถามอีกว่าเมื่อกินไม่ได้อันไหนที่ว่างามอันไหนที่ว่าดีเมื่อพิจารณามาถึงอาการทั้งสองยกเป็นอุบายขึ้นถามจิตเช่นนั้น จิตเมื่อถูกปัญญาซักฟอกหนักเข้าเช่นนั้นก็จนด้วยเหตุผลของปัญญายอมอ่อนตัวลงจนด้วยความจริงและอุบายของปัญญาในขณะนั้นจิตซึ่งเคยได้โลดโนโลดแล่นไปอย่างไม่มีจุดหมายมาก่อนพันก็กลับยอมรับตามความเป็นจริงตามเหตุผลของปัญญายอมตัวอย่างนักโทษผู้สำนึกผิดยอมสารภาพถึงการกระทาของตนแต่โดยดี ฉะนั้นนับแต่วินาทีที่การพิจารณาได้ยุติลงจิตยอมตามเหตุผลของปัญญาแล้วเพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้วได้ส่งจิตออกไปหายิงนั้นอีกหลายครั้งจิตคงสงบตัวไม่ยอมออกไปความกำเริบความทรนงตัวความโลดโผนของจิตจึงถึงความสงบลงตั้งแต่บัดนั้นมาไม่กำเริบอีกต่อไป จิตคงทรงเห็นตามสภาพความเป็นจริงของธรรมอยู่ทุกเมื่อการอดอาหารทำความเพี่ยนในครั้งนั้นจึงได้ผลตามความมุ่งหมายสามารถปราบปรามทรมานจิตให้หายพะยศได้ 11. จําจำพรรษาที่พระพุทธบาทบัวบกพระพุทธบาทบัวบกอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี สมัยที่หลวงปู่ไปจำพรรษาอยู่นั้นยังเป็นป่าไม่มีวัดมีพระวัดบ้านพยายามจะไปอยู่หลายครั้งแต่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีความกล้าพอการอยู่จำพรรษาที่พระพุทธบาทบัวบกปีนั้นมีพระจำพรรษาด้วยกันสามรูปกับตาผ้าขาวหนึ่งคนพระมีท่านพระอาจารย์บุญพระอาจารย์คำหลวงปู่แหวนโดยท่านพระอาจารย์บุญเป็นหัวหน้า เมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์ได้พาไปพักอยู่อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าหอนางอุสาอยู่กันคนละฝ่าเขากับพระพุทธบาทบัวบกเป็นป่าดงดิบเหมือนกันบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงดี 12. จำพรรษาที่นาหมีนายุงนาหมีนายุงอยู่ในเขตอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี สถานที่ดังกล่าวในสมัยก่อนเป็นป่ารกชัดชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าไข่ป่าพื้นที่เป็นที่ราบติดภูเขาบางแห่งเรียบเลาะไปตามลำน้ำโขงพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจับจองเพราะเกรงความเจ็บไข้และอันตรายอย่างอื่นๆตามความเชื่อถือของชาวบ้านเขามีความเชื่อถือกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า ถ้าใครขืนเข้าไปตัดไม้ในบริเวณป่าต้องถูกผีป่าทำอันตรายเอามีอันเป็นไปต่างๆพวกเขาเคยเล่าให้ฟังว่าบางรายถึงตายก็มีเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครกล้าไปใกล้ในบริเวณนั้นในพรรษาปีนั้นได้จำบรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นและตาผ้าขาวอีกคนหนึ่งการปรารบความเพียรในพรรษานั้นเป็นไปอย่างเต็มที่ เพราะมีหลวงปู่มั่นคอยควบคุมแนะนำอุบายจิตตภาวนาการแนะนำให้สิทธิปฏิบัติภาวนานั้นหลวงปู่มั่นท่านย้ำอยู่เสมอว่าจะใช้บทพุโทโธเป็นบทบริกรรมสำหรับภูกจิตก็ได้เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วให้วางบทบริกรรมเสียแล้วพิจารณาร่างกายในครั้งแรกให้พิจารณาเพียงส่วนในส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเพ่งพิจารณาได้อย่างสะดวก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 จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติเมื่อจิตมีความชำนาญเพียงพอแล้วคำบริกรรมพุทโธก็ไม่จำเป็นเพียงกำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันทีผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาถ้าทรงจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้วเป็นอันผิดทางมักภาวนาเพราะบรรดาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสนา อยู่ตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นแนวการปฏิบัติไม่ผลไปจากกายกายจึงเป็นสนามรค ก, กายจึงเป็นยุทธภูมิที่ปัญญาจะต้องค้นเพื่อทําลายกิเลสและกองทุกข์ซึ่งจิตของเราทําเป็นธนาคารเก็บสะสมไว้ภายในอบไ ว, หบว้หาวไว้หามไว้ห่วงไว้จนนับพบนับชาติไม่ได้สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชนิดใดในสังสารวัฏนี้ ล้วนแต่ติดอยู่กับกายนี้ทั้งสิ้นทำบุญทำบาปก็เพราะกายอันนี้มีความรักมีความชังมีความหวงมีความเห็นก็เพราะกายอันนี้เราสร้างทับสมบัติขึ้นมาก็เพราะกายอันนี้เราประพฤติศีลประพฤติธรรมก็เพราะกายอันนี้เราประพฤติผิดศีลเราประพฤติผิดธรรมก็เพราะกายอันนี้ ในพระพุทธศาสนาพระอุปชาก่อนที่จะให้ผ้ากาสายะแก่กุลบุตรผู้เข้ามาขอบรรประชาอุปสมบทก็สอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นส่วนที่เห็นได้โดยง่ายเพราะเหตุนั้นกายนี้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลมากผลจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดจากกายนี้แหละกายนี้เป็นเหตุกายนี้เป็นผล เอากายนี้แหละเป็นมัคเครื่องดำเนินของจิตเหมือนกับแพทย์ทั้งหลายจะรักษาเยียวยาคนป่วยได้ต้องเรียนร่างกายนี้ให้เข้าใจถึงกลไกทุกส่วนจึงจะสามารถรักษาคนไข้ได้ไม่ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันวงการแพทย์จะทิ้งร่างกายไปไม่ได้ถ้าวิชาแพทย์ทิ้งการศึกษาระบบกลไกของร่างกายเสียแล้ว ก็เป็นอันศึกษาผิดวิชาการแพทย์ทางสรีระวิทยานักปฏิบัติธรรมท่าละทิ้งการพิจารณาร่างกายเสียแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องดําเนินมรรคปัญญาร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามถ้าผู้ปฏิบัติไม่พิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วคําว่านิพิถาวิราคะนั้น จะไปเบื่อหนายคลายกำหนดอะไรนิโรธซึ่งเป็นตัวปัญญาจะไปดับทุกข์ที่ไหนเพราะเราไม่เห็นทุกข์ที่เกิดของทุกข์ที่ดับของทุกข์ก็ไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ต้องพิจารณากายนี้เป็นเครื่องดาเนินมรรคปัญญาเพราะในอุทานธรรมพบว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้นนั้นพระองค์ได้ประจักษ์อย่างแน่นอนว่า การเกิดนั้นเป็นทุกข์อยู่ร่ําไปพระองค์หักกงกรรมคืออวิชชาเสียความเกิดของพระองค์จึงไม่มีต่อไปกงกรรมคืออวิชามันอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่อยู่ในจิตเราจิตของเรามันอยู่ที่ไหนจิตมันก็คือหนึ่งในห้าของปันจขันอันเป็นส่วนหนึ่งของนามนั่นเองผู้ปฏิบัติต้องไข่ครวรพิจารณาอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่า ดำเนินตามมรรคภาวนาไม่มีอารมณ์อย่างอื่นนอกจากกายนี้ที่จะดำเนินมรรคภาวนาให้เกิดปัญญาขึ้นได้หลวงปู่มั่นนั้นเวลาแนะนำสัง่งสอนสิทธิ์ท่านไม่ค่อยอธิบายธรรมะให้พิสดารมากนักโดยท่านให้เหตุผลว่าถ้าอธิบายไปมากผู้ปฏิบัติมักไปติดคำพูดกลายเป็นสัญญาต้องปฏิบัติให้รู้ให้เกิดแกจิตแกใจของตนเอง จึงจะรู้ได้ว่าคำว่าทุกนั้นเป็นอย่างไรคำว่าสุขนั้นเป็นอย่างไรคำว่าพุทธธรรมะสังคะนั้นมีความหมายเป็นอย่างไรสมาธิอย่างหยาบา เ, เป็นอย่างไรสมาธิอย่างละเอียดเป็นอย่างไรปัญญาที่เกิดจากสัญญาเป็นอย่างไรปัญญาเกิดจากภาวนาเป็นอย่างไรเหล่านี้ผู้ปฏิบัติต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนจึงจะรู้ ถ้ามัวถือเอาแต่คําอธิบายของครูอาจารย์แล้วจิตก็จะติดอยู่ในสัญญาไม่ก้าวหน้าในการภาวนาเพราะเหตุนั้นจึงไม่อธิบายให้พิสดารมากมายแนะนำให้รู้ทางแล้วต้องทำเองเมื่อเกิดความขัดข้องจึงมารับคําแนะนำอีกครั้งหนึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เป็นผลดีแก่สิ์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำอย่างแท้จริง ดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนาในพรรษานั้นจึงได้เร่งความเพียรอย่างสม่าเสมอทำให้ได้รับความเยือกเย็นทางด้านจิตใจมากเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะความเพียรเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างในการทำความเพียรโดยปกติองค์ท่านจะทำความเพียรประจำอิริยาบถไม่ว่าท่านจะอยู่ในอิริยาบถใดๆต้องอยู่ด้วยภาวนาทั้งสิ้น เรื่องนี้ท่านย้ำเตือนเสมอไม่ให้สิทธิประมาทละความเพียรเราอยู่ร่วมกันกับท่านต้องเอาองค์ท่านเป็นตัวอย่างถึงแม้จะทำไม่ได้อย่างท่านแต่ก็เป็นสิทธิที่มีครูมีแบบแผนมีแบบอย่างมีตัวอย่างเป็นทางดำเนิน